หลงปูมั่นไม่ใช่ครูบาอาจารย์โลกีครูบาอาจารย์โลพุตระสองสอนลูกศิษย์ไม่ได้ไปในทางโลกบางครัง้งบางคราวท่านหาอุบายผู้ทางโลกเพื่อจะหาอุบายด่าลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ลืมตัวกหัวเนาะตระเดเปิดเปิงไปท่านกระดุก เราอยู่กับองค์ท่านก็ดีองค์อื่นก็ดีถามแต่เรื่องภาวนาจะทำข้าวัดเก่งสักเพียงไหนก็ตามวาอวัดภายนอกเช้นปรณนิบัติองค์ท่านก็ดีหรืองานส่วนรวมก็ดีเกี่ยวกับเชนาชนะหรือเกี่ยวกับอะไรในส่วนรวมของาพาคภิสุสัมมานีที่ช่วยเหล้วกันก็ดีจะทำดีสักเพียงไหนก็ตามถามภาวนาไม่ได้ความกะดุเหมือนกัน ไม่ใช้ใง่ายง่ายหลวงปู่มัน่นถ้าภาวนาเราภาวนาสูงมากท่านก็ตีลงมาต่ำถ้าเราติดอยู่ในต่ำมากท่านก็ตีขึ้นไปสูงท่านบอกว่าเหมือนนักมวยให้มันชำนาญเวลารุกเขาก็รุกเวลาถอยเขาก็ถอยท่านพูดอย่างนะให้ชำนาญทั้งสมถะ แล้วิปัสสนาด้วยให้กลมกลืนกันให้ถอยออกถอยเข้าให้เพี้ยนาออกเข้าการอยู่การกินก็เหมกันกั น, กนท่านบอกว่าโภชเนมะตันยุตาให้รู้จักประมาณในการกินอาหารในคำสอนของพระบรมศาสดาแต่เท่านั้นเท่า น, นี้คำท่านก็ไม่ได้พูดแต่พระเวนัยทรงบอกว่าถ้ายังอีก สห้าคำจะอิ่มได้จงพากันยุติเสียเรียกว่าอรุณจักประมาณดื่มน้ำแล้วก็พอดีไม่อืดอาดด้วยไม่หิวรล้กวนด้วยจะทำความเพียรสะดวกในพระวิไไนัยหลวงปู่มั่นคอยถือตามนั้นแล้วเดินมากมันได้กำลังอะไรมีปัญญาอะไรแล้วนั่งมากมีปัญญาอะไรแล้วนอนมาก ได้ความชัดยังไงในธรรมะคำว่านอนหมายความว่าไม่หลับเรายืนภาวนาเป็นยังไงก็ของใครของมันถ้าไมนได้ประโยชน์ในส่วนไหนก็ต้องเอาส่วนนั้นเพราะเราไม่เหมือนพ ร, ระพบรมรชาติลาพระบรมศาสติล้า น, นเดินก็พิจารณาได้อันเดียวกันนั่งก็พิจารณาเสมอกันนอนก็พิจารณาเสมอกัน ได้ความชัดเสมอกันยืนก็เหมือนกันแต่สาวกภูมิไม่เป็นอย่างนั้นบางท่านก็เดินจึงได้กำลังในสมาธิหรือในปัญญานั่งบางท่านก็ได้อริยาบถ ท, ทั้งสองยืนบ้างนั่งบ้างบางท่านก็ได้อิริยาบททั้งสามยืนเดินนั่ง ภาวนาได้เสมอกันแต่นอนมักจะหลับบางท่านหลับไปเชียก่อนไม่ไม่ทันได้ความไม่เหมือนพุกโรมศาสตาลาเ ร, ราบอกรมศาสตาลาได้อิทิยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนพิจารณาได้ความเสมอกันหมดในธรรมะ เราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเราเริ่มใช้ในพระพุทธระธรรมประสงค์เราปฏิบัติพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าเราไม่หวังพ้นทุกข์โดยด่วนในปัจจุบันในชาติมันก็สอแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรายัางอ่อนอยู่ถ้าเราเยินดีในการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติมันก็ให้ทราบเถิดว่า บ้านมีของเราแขกล้ามาแล้วเราเห็นภายในวัฏจักรสงสารอย่างเต็มที่แล้วเรามาเห็นแง่ ใ, ใดๆเลยจะมีสุขในโลกเราจึงยินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวจึงยินดีในการหลุดการพ้นสิ่งเดียวถ้าเราเห็นแง่ใดแง่หนึ่งว่าเป็นสุขอยู่ในโลกเราก็มายินดีในพระนิพพานเมื่อไม่ยินดีในพระนิพพานอุบายที่จะหน่ายโลกก็ไม่มีเพราะเราติดอยู่ ก็ไม่เปิดหนทางอยูอ่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าบารมีของเรายัางต่ำอยู่จาเป็นก็ต้องจะได้สร้างขึ้นทวีจะนอนอยู่ให้มันสูงมันก็ไม่สูงจะมัวแต่ปรารถนาสิ่งเดียวไม่ทำก็ไม่ได้อีกเหมือนกันความปรารถนาก็ดีความเจตนากดีความหวังกดีการจองชิวก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกัน การจองที่นั่งเหมือนจองรถน่ก็มีความหมายอันเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในใจโลกธาตุมันไม่มันไม่มีสิ่งที่ซ่อนเร้นไม่มีสิ่งที่ซ่อนเร้นเลยเปิดเผย อ, อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนมีอยู่ทุกการ มองดูเวลาไหนก็เห็นเวลานั้นเว้นไว้แต่จะไม่ดูมองดูสกรลรากายก็เต็มไปด้วยความเปื่อยเน่าก็เต็มไปด้วยความแก่ความเกี่ยวความตายล่วงไปล่วงไปล่วงไปมองดูภายนอกก็อันเดียวกันมองดูสังขารทางปวงก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไป สิ่งที่มีใจครองแล้วมันมีใจคองก็เหมือนกันมีหน้าที่จะร่วงไปทางนั้นจะอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนน้าไหลไหลไปแล้วไม่ไม่เวียนมากลับมาไหลอีกอดีตก็เป็นอดีตตามเดิมอนาคตก็เป็นอนาคตตามเดิมปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันตามเดิมที่บัญญัติว่าปัจจุบันกลายไปเป็นอดีตอดีตเวียนมาเป็นอนาคต อัน น, นหมายความว่าสมมุติทำแท้แล้วอดีตก็เป็นอนดีตไปตะพุฒอนาคตก็เป็นอนาคตตะพุฒ์ไม่มาแย่งเก้าอี้กับปัจจุบันไม่ไมาแย่งเก้าอี้กับอดีตเราจะเห็นธรรมในชั้ในใดๆก็ปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคต ผู้ที่ไปเอาอาดีตมาพิจงงารณาก็คือผู้ปัจจุบันผู้หวังในอนาคตจะเอาอนาคตมาพิจงงารณาก็คือผู้ปัจจุบันตกลงก็อยู่ในปัจจุบันอันเดียวทำทั้งหลายทั้งปวงในคําสอนของพระบร ม, มศาสด า, ศ า, ศาไม่ใช่เป็นโมฆะไม่ใช่เป็นแรงเป็นลมมีอยู่ทุกการทุกเวลาในปัจจุบันทันตา ทันตานอกด้วยทันตาในาด้วยเห็นอยู่ด้วยไม่เป็นโมฆะด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยไม่ใช่ววเราไหว้แดดไหว้ลมหรือไหว้อากาศหรือรืลึกถึงอากาศเป็นของมีของจริงอยู่ทุกการทุกเวลาสังขารที่ไม่เที่ยงก็มีอยู่ทุกการทุกเวลา ทำฝ่ายที่เที่ยงก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาทำปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงซึ่งวิมุติธรรมก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาผมขนและฟันหนังเรืองกระดูกก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาธาตุดินก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาสิ่งทั้งหลายมีอยู่ก่อนถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็มองมาเห็น เอสัตมโอสนันตโนพระธรรมทั้งหลายมีอยู่เป็นของเก่ามีอยู่ก่อนแล้วนิ้มือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงนับได้ถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็นับไม่ได้ดินน้ำไฟลงมีอยู่ก่อนแล้วเราจึงสมมุติได้ถ้าไม่มีอยู่เราก็สมมุติไม่ได้เช่นอากาศที่ว่างอย่างนี้มันมีอยู่เราจึงสมมติได้ คำาสมมุติเป็นของกริงหรือไม่ก็จริงตามสมมุติจะคัดคานไม่ได้ ท, of, <st ess> ที่นี่เมือ่อโลกโกดหลงมีอยู่จะคัดคานสิ่งที่ไม่โลกไม่โกรธไม่หลงก็คัดคานไม่ได้เมือม่อมืดมีอยู่จะคัดคานสิ่งที่สว่างก็คัดคานไม่ได้เมื่อโง่งมีอยู่จะคัดค้านในสิ่งที่ฉลาดก็คัดคานไม่ได้ความสอนของพระบรมศาสดา เป็นคําสอนที่ดีเดน่นอยู่ในยุคของโลกของธรรมไม่บกพร่องไม่ขาดวินไปไหนเป็นเพียงแต่ละยุคละยุคละยุคละยุ ค, ยคก็เป็นยุคของบุคคลที่มาลู่ธรรมเฉยๆความเป็จริงทำทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ทุกการแล้วเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่สงสัยว่ามรรคผลที่พ่านมันหนีไปไหน มักแปลว่าข้อปฏิบัติผลแปลว่าผลของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปทางโลกีผลก็ส่งมาเป็นทางโลกีถ้าปฏิบัติไปทางโลกุตระผลก็ส่งมาในทางโลกุตระฉะนั้นจึงยังได้ว่าปฏิบัติไปโลคีและโลกุตระก็มีเครื่องวัดเหมือนกัน ถ้าเราหนักไปในทางวัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจก็เรียกว่าเจตนาของเราเป็นโลกีถ้าเราหนักไปทางอารม์คติหวังพนทุกข์ในวัฏสงศ า, ารก็ให้ทราบว่าเจตนาของเราเป็นโลกุตระคาที่เราเอามาปฏิบัติก็เพื่อโลกุตระ ดังอ่านว่าดังโลกนี้มันดังอยู่แล้วแต่มันดังไปทางทุกข์ดังไปทางอนิจจังดังไปทางสัตว์ทั้งหลายทนได้ยากความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของท น, นได้ยากตัณหาความทะเยอทะย า, ายนอยากได้ในวัตถุชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด มีกามัจันหาเพราะตัจหาเพราะวัฏจันหายิภาวะวัฏนหาเป็นต้ น, gjorde, ต น, ตนความดับตันหาได้ที่เชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดคือทุกข์ใจได้ชื่อว่านิโรธเพราะทําให้แก่ปัญญาเห็นเขาว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิงนีความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ชื่อว่ามัจเพราะเปิดครอปฏ Store, ิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันั้นจะมีองค์แปประการก็ตามย่นลงมาเป็นสามก็คือกายวายใจใจ ยะลงมาเป็นหนึ่งก็คือเอ A, กจาิตเอ A, กธรรมยนตนลงมาเป็นสองก็คือกายสับใจนักท่องเที่ยวในวัตจ้สงสารท่องเที่ยวในทางทัศนายานด้วยท่องเที่ยวด้วยสีเทาด้วยไม่สู้พระอริยบุคคล อริยะบุคคลเที่ยวเก่งเพราพบแต่อุปสรรคเนี่ยฉะนั้นจึงเป็นยาวิเศษของท่านอุปสรรคในโลกมันเป็นยาวิเศษของนักปราชดทำให้นักปราชดเบื่อหน่ายคลายเมาในวัตตาสงสารพระอริยเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระรหัสแล้ว เป็นท่านผู้จบเกษียณจริงในโลกของเรานี่จบเกษียณเป็นคราวๆแต่ละชาติละชาติเท่านั้นแต่ยังไม่จบเกษียณยังจะมาเกิดแก่เก็บตายอีกยังจะมาโลกมาโกดมาหลงมาสนองเวรสนองภัยอีกเรียกว่าไม่จบเกษียณเรียกว่าไม่หมดหนทางพระเดชเจ้าเป็นผู้หมดหนทางแล้วจะไปบาป ก, ก็ ไ, ไปจะไปบุญก็ไป เ้าสู่ข้อพานแล้วก็หมดหนทางตามกว่านั้นลงมายังไม่หมดหนทางพระโสดาบันเดินตรงไม่เลี้ยวซ้ายแลวขวาไม่สงสัยในทางเดินด้วยพระกระคาามีก็เดินตรงไปอีกไกลกว่ากันร้ายโยน์พระอนาคามีก็ไกลกว่าไปอีกร้ายโยต์ พระอรหันต์ถึงขอบฝั่งแล้วพ้นไปแล้วพ้นจากโลกโกรธหลงของตนไปแล้วพ้นจากปัญหาของตนไปแล้วไม่ปัญหาใดใดของตนจะมาสอดแทรกให้ลาบากปัญหาจิตปัญหาใจก็แยกแยะออกไปแล้วชนะไปแล้วปัญหาผู้รู้ก็ชนะไปแล้ ว, ล ว, ลวจึงเรียกว่ารู้ดีรู้ชอบ รู lur lur high, high, ้หลุดร sí, being ู no ้พ้นไม่ใช่รู้แล้วติดอยู่ในผู้รู้รู้หลุดรู้พ้นด้วยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ได้เป็นท่าแห่งตันหาไม่ได้เป็นท่าแห่งความหลงของตนชณะความหลงของตนแบบบัวไม่แช่มน้าไม่ขุนไม่กระทบกระเทือนในโลกใดๆเลย กระทบ ก, กระเทือนแต่ความห ล, ลงของตนเท่านั้นชนะความหลงของตนเท่านั้นชนะในสนามหลวงสนามหลวงของไตรโลกธาตุไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่มโนธาตุท่านทกต่อความหลงของตนอยู่ที่ในมโนธาตุนี่เนื้อจิตเนื้อใจไปแล้ว ไม่อยู่ใต้อำนาจของใจพระมหาสติพระมหาปัญญาเหนือจิตเหนือใจไปแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้วไม่เสียดายอะไรและจะคืนมาอีกไม่ขบวคืนให้หลงอีกพอเห็นชัดทั้งตานอกและตาในาในสกลรลชา ในสกลละพบในสกลละแก่ในสกลละเก็บในสกลละตายในสกลละโลกในสกลละโปวดในสักคนละหลงถือว่าเป็นฟืนเป็นไฟไม่จิตไม่ใจสัดทั้งหลายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนลุกเป็นเพลิงขึ้นจนถึงพรห ม, มโลกเพราะพรห ม, มโลกเต็มไปด้วยแก่เก็บตายเหมือนกันหมดอายุไขก็ลงมาอีก เป็นเพียงอยู่ด้วยอำนาจองคชานของท่านเฉยเมื่อหมดอำนาจองคชาของท่านก็ลงมาอีกในภพ ม, มโลกเว้นพระอนาคามีเสียเงือนางนั้นลงมาท้งนั้นคำว่าลงมาก็คือกิจจะต่ำลงหมดอานิสงส์ของกิจสูงเพราะอยู่ใต้อำนาจอานิจัง เนหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทางนั้นศาสนาใดๆก็ตามเราไม่เกิดสงสัยว่าศาสนาอื่นจะดีเด่นกว่าพระพุทธศาสานาเพราะศาสนาอื่นไม่ได้ยืนยันว่าอนุตตรังคุญยเขษตรตังโลปัสสาติเป็นเขษบุญของโลกศาสนาอื่นไม่ได้ยืนยัน ยืนยันอย่างเต็มที่แต่ศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ได้ยืนยันเข้าพ้างตัวด้วยเป็นของจริงด้วยสัทาเทว่มนุษย์ชาแังเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพลงอุทานชี้หานาดได้พระบรมาาศาสด า, ดาไม่ขั้นข้ามจะไปกล่าวตูองค์ท่านว่าพูดได้แต่ปากกิเลสไม่หมดก็กล่าวตูไม่ได้กาวตูไปกลูมาตนก็ลงนรก ถ้าข้าข บ, บวดนน้ำลายขึ้นฟ้าบ้วนไปบ้วนมาก็ตกใส่หน้าของตนแต่ผู้รู้ตัวยังคอยยังตั้วผู้ไม่รู้ตัวนั่นมันเต็มทีพอรู้มันก็สายเสียมันก็บ่ายเสียมันก็ค่ําเสียค่ําคือตายสายคือแก่บ่ายก็คือแก่ไปอีก ค่าคือตายตายขิ้งผลของกรรมยังมีอยู่ก็ไปสู่ตามผลของกรรมเหมือนเงาตามตัวเหมือนโคลรร่กเกวียนล่อเกวียนก็หมุนไปตามโครเรียบเร่งนะอุวาาชกวาสิกาที่สัมมาเนน เดี๋ยวจะเสียใจภายหลังนะเพราะอารมณ์ศาสตร์จะด่าเห้ำหันหันช้ำช้ำซ่าซ่าเธอทั้งหลายไม่มีอะไรหวังกับเราจะท้าคดแล้วเพราะไม่มีที่ปิดบงังจะท้าคตเอาออกบทแล้ว แล้วาวโคตรก็มาได้ติเตียนตนเองว่าตอนนั้นข้าพเจ้าก็มาได้สั่งสอนที่คือสามเณนอุบาสกอุวาสิกาตลอดเทวดามารถมแต่ทาคตรมาด้เพ่งโทษตนเองพ่อออกหมดแล้วทำคำสั่งสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาของใจพวกท่านทั้ ง, ทงหลายจงปฏิบัติเถิดจงลงมือปฏิบัติเถือตามจสติกําลังของตนผู้ปฏิบัติน้อยจะเห็นคุณน้อยผู้ปฏิบัติมากจะเห็นคุณมาก สิ่งที่จิตจะเป็นโทษในคําสอนของเราเป็นไม่มีเลยเรารับรองถ้าเป็นเนื้อก็ไม่มีกระดูกถ้าเป็นปลาก็ไม่มีก้าวถ้าเป็นหมักเป็นผักก็ไม่มีที่แข็งถ้าเป็นอาหารก็ไม่มีที่แสลงอีกด้วยและไม่บูดไม่เน่าอีกด้วยไม่ทําให้ท้องขึ้นท้องเฟอ้อเธอทั้งหลายจงกินเถิดเราเพียงบอกเธอทั้งหลายหิวนอนก็นอนเอง หิวอาหารก็รับเองทานเองทาคตจะทําแทนไม่ได้เป็นเพียงชี้ทางเท่านั้นมีทุกการทุกเวลาท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าศาสนาจะหมดจะสิ้นไปทางใดเราะถาคตยังมีอยู่กี่ร้อยพระองค์ก็ตามพระพุทธเจ้าทั้งพันพันพระองค์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติถ้าเธอทั้งหลายไ ม, ม่ยอมจิ๊บเกลือ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจะจิปแกะแทนทกท่านไม่ได้พราท่านต้องจิบเอาแต่จะบอกวิธีจิปเท่านั้นเอามาใส่ปากถ้าเธอทั้งหลายไม่ยอมเอามาใส่ปากเธอจะมาถามว่ารสเกลือเป็นยังไงพารับรสเกลือเป็นยังไงพารับแต่ท้าคฏก็บอกไม่ได้ลักษณะของมันเค็มนั้นมันเป็นยังไงแต่ท้าคฏก็บอกไม่ได้ สศนใดในโลกจะมาองค์อาฆาหารจะมาแข่งไปชันขันแข่งกับศาสนาพุทธมันก็เท่ากับว่าเอาไม้จิ้มฟันไปงัดภูเขาที่เนโนราหรือเอาเม็ดพันธุ์พักกาไปคว่างใส่ภูเขา หรือบ่อนำลายขึ้่นฟ้าหรือขว้าง้อนใส่ต้นเขาและหินดานกระเด็นใส่หน้าผาตนเองในเรื่องของพุทธศาสนาะเราไม่วิตกวิการศาสนาอื่นๆจะดีเด่นสักเพียงไหนก็าตามเราไม่สงสัยเลยก็ดีเด่นด้วยอามิตถ้าหมดอามิรจ้างแล้วไม่กระยุกันเท่านั้นน่ย จิตใจไม่ถึงทรรมเห็นแต่แก่อามิตอามิตทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอานิจจังเสียแล้วไม่ว่าแต่เท่านั้นถึงเขาจะมอบให้เราชับสมบัติเต็มภรมมาโลกนี่ให้เราสวยคนเดียวเราก็ไม่สามารถจะปกครองได้จะปกครองอนิจจังได้ยังไงเราไม่ตายมันก็ตายก่อนเราไม่ตายมันก็แตกไปก่อน นี่น้ํา้ำเราก็พัดท่ามันไปอีกมันก็พัดท่าเราไปอีกเมื่อเราออกข้งหลายเต็มไปด้วยอันนี้จังเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยอันใดไม่มีกีรังเรียงยืนเลยอย่างนี้จิตใจของพวกเราจะมาติดอยู่แต่เพียงแค่นี้มันก็ไม่ได้อีกความสุขของคิดของใจของธรรมะจะมีจากประตูไหนอีกเนี่ ต้องรู้ล่วงหน้าใครเป็นเจ้าโลกใครเป็นใหญ่เป็นโตในโลกชราพญาทินำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลกคือมูสัตรชราพญาทินำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน โลกคือมูสัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิม่มเป็นทาตแห่งตัณหาโลกคือมูสัตว์จะได้ทิ้งสะกลนร่างกายลงนอนเหนือแผ่นดินลงไปเป็นธาตเดิมของมันธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุาลมของมัน ผู้จะแข่งดีกันอยู่ในโลกใครจะเป็นคนชนะทีนี้มีแต่เวนสน้องเวนยนไทยสนองไทยเท่านั้นแ่ะอเมริกาก็ดีจีนก็ดีนี่นัตเซียก็ดีเขาสู้รบกัดกันใครแพ้ใครชนะ ตกลงก็เวีนสนองเวีนภัยสนองภัยอยู่ในใจโลกาลนี่ไม่มีใครแพร้ใครชนะพระบระมศ า, าสดาทรงสรรเสริญว่าชนะกิเลสเป็นการชนะแทพระโสดาบันชนะกิเลสเป็นตอนตอนไปไม่ขบุดคืนพระสัาากทาคาเมฆก็ชนะกิเลสเป็นตอนตอนไปไม่ขบุดคืนพระอนาคาเมฆก็เป็นตอนตอนไปไม่ขบุดคืนพระอรหันต์ชนะกิเลสได้หมดนี ไม่มีวันจะขบคืนได้ก้าวหน้าตะพึชสุขในไตโลกธาตุมันไม่มีมันมีอยู่แต่สุขในพระสวสดาบันณฑกทาคามีอานาคามีอาหารหันทัา น, นสุขในโลกีสุขถูกสอกกลับหลังเข่าพอบนับทิพย์แม่ลูก เมื่อทุกเกิดก็มีทุกตายมาอีกทีนี่เบื้องต้นมันก็ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บ ท, ทุกตายอยู่แล้วคนเกิดมามาเห็นไข่หัวเลาะออกมาก็ร้องไห้เพราะมันจะได้มาผ่านทุก <c oughs> ไม่มีไข่หัวเลาะพอออกจากท่องมัรดามาก็ร้องไห้เลยเพราะจะมา ผ่านสนามทุกกรรมมือให้ร้องให้เวลาตายก็แบมือตายเพราะเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบาปและบุญเท่านั้นเมื่อวิญญาณยังไม่จบสิน้นก็ไปตามวิญญาณทำดีแล้วอยู่ที่ใจทำชั่วแล้วก็อยู่ที่ใจไม่ไปอยู่ที่อื่น ใจเป็นผู้รู้ใจยิ่งผู้ทำํำใจเป็นหัวหน้าเหตุฉะนั้นจะกระติดติไม่ได้บาปบุญคุณโทษบาปก็อยู่ที่ใจคุณก็อยู่ที่ใจโทษก็อยู่ที่ใจคุณมหันโทษอนันต์ใจนี่ใ้าใช่ไปนในทางถูกก็เป็นคุณมหันใ้าใช่ไปนในทางผิด ก, ก็เป็นโทษอนันต์เหมือนกัน จิตเตสังคีริษฐเถ ท, ทุกขติปารถิกลางขาเมื่อจิตเศ้ามองทุกขติเป็นหวังได้จิตเตอาสังคิริษฐเถสุขติปารถิกลางขาเมื่อจิตไม่เศ้ามองทุกขติก็เป็นหวังได้แต่ว่าสุขไงพราะ พ, พุทธศาสนามีสองอย่าง สุกอิงอามิ t h สามารถจะกลับมาเป็นทุกข์สามิท ส, สุขสุกอิงอามิ t h สามารถจะกลับมาเป็นทุกข์เหมือนกันเมื่ออามิ t h พัดภาคไปก็มาเป็นทุกข์นี่ร า, ามิตรจะสุขสุขเมื่ออิงอามิ t h คือสุขถึงพระสวสดาบัจฑิทาคาเมียนาคาเมีพระนารายณ์ดังกล่าวแล้วนั้นเรียกว่าสุกเก้าหน้าเรียกว่าโลกุตละสุขตามก่านั้นลงมาเป็นโลอิยะสุข หรือโลกิยะทุกโลกุตระทุกมีหรือไม่โลกุตรทุกก็มีอยู่บ้างเช่นผู้ถึงพระสวสดาบันสัพทาคามีอนาคามีก็ยังมีปฏิบัติอยู่เพราะการปฏิบัติก็ต้องลำบากบ้างแต่ว่าให้ทุกในปัจจุบันและมีสุขเป็นไมบาปต่อไป ทำสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นนิบากต่อไปทำสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและไม่สุขเป็นนิบากต่อไปธรรมะธรรมะสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นนิบากต่อไปการปฏิบัติพุทธมรร์พอใจปฏิบัติและปฏิบัติถูกด้วยก็มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นนิบากต่อไปการปฏิบัติพุทธมรรคมีทุกข์บ้างหิวข้าวและหายน้ําสารพัดวัดเวียง แต่ก็มีทุกเป็นนิบากต่อไปทำสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นนิบากต่อไปในเวลาที่ทําทุจริตก็เป็นทุกผลของทุจริตที่จะนำมาให้ก็เป็นทุกเดียวว่ามีทุกเป็นนิบากต่อไปคำสอนใดในโลกจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนะไม่มีเลย ไม่มีที่แซงอีกด้วยไม่มีที่จะเอามาสอนอีกด้วยพอพูดได้หมดแล้วลงมือปฏิบัติเท่านั้นตามสติกำลังเท่านั้นลมหายใจเข้าข้างหนึ่งครบเปดหมื่นชีพรธรรมขัน มากกว่านั้นไปอีกด้วยแปดหมือนสี่พันถ้าทำอาคแล้วหายใจออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนับในไตโลกธาตุลงมาเป็นหนึ่งเอกทุก นับในสังขารทั้งปวงลงมาเป็นหนึ่งเอกทุกในปัจจุบันขยายออกก็ขยายออกจากหนึ่งจะนับถึงสิบก็ต้องขยายออกจากหนึ่งถึงร่อยถึงพันถึงหมื่นั้งแสนก็เหมือนกันจะย่นลงมาเขย่นลงมาหาหนึ่งเมื่อไม่ลงหนึ่งก็ไม่ลงห้าลงสิบไม่ลงหมื่นลงแสนลงล้านเหมือนกัน เมื่อลงหนึ่งก็ต้องลงหมดเนี่ยจะตายมากน้อยเท่าใดก็าตามเกิดเท่าใดตายเท่านั้นก็ลงมาหาเอกะเกิดเอกตายเท่านั้นหนึ่งเกิดหนึ่งตายเท่านั้นฉนั้นแตทุกข์ลงทั้งปวงย่นลงมาทั้งเอกะทุกข์ในปัจจุบันฉนั้นทารกทั้งปวงย่นลงมาทั้งเอกโลกในปัจจุบัน ข้ามโลกด้วยรัดนิ้วมือเดียวสิ้นความสงสัยข้ามความหลงข้ามความสงสัยอีก ดินส่งคืนให้ดินน้ำส่งคืนให้น้ำตามสมุติไฟส่งคืนให้ไฟตามสมุติลมส่งคืนให้ลมตามสมมติไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาก็ไ <này> ม่ไปกี้ไม่ไปป้นสุขก็ส่งคืนให้สุขทุกข์ก็ส่งคืนให้ทุกข์อุเบกขาก็ส่งคืนให้อุเบกขาเมื่อไปรับไทยรักถอนไม่ไปกี้ไปป้น ให้เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นเวิบากเป็นวัตฏะวนกันอยู่ต้องรู้ตามเปนจริงด้วยปฏิบัติตามเปนจริงด้วยรุดทนจากความหลงตามเปนจริงด้วย เราจะแก้โลกมาใส่กเกลียดของเรามันแก้ไม่ไหวดอกเราเรียนวิชาเบื่อหน่ายดีกว่าเราจะแก้ทั้งขานมาให้อยู่ในวงแขนของเรามันไม่ได้แต่ตัวของเราทางแข้งก็เป็นทั้งขานแล้วที่สมมติว่าเราเนี่ย นับโทษต่อนับโทษอยู่ด้วยกันตัวของเราเราก็เป็นสังขารอยู่แล้วสิ่งที่จะมาเป็นสมบัติของเราก็เป็นสังขารอยู่แล้วเราแก้มันก็แก้มไม่ไหวใครผู้ไปหลงสังขารก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานคือความหลงนั่นเองไปหลงคิตใจที่ซำลอก ออกจากความหลงแล้วไม่ไปหลงถ้าจะพูดในธรรมะฝ่ายปฏิบัติมันก็ไม่ได้พูดยาวถ้าพูดตามปริยัติล้ว สิบปีมันก็ไม่หมดเพราะปริยัติไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายสังฆะฝ่ายมูลกระจายฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายมูลเดิมดอนลงมาหาเดิมไม่ได้กระจายออก เป็นฝ่ายรวมปฏิบัติรวมรวมลงในปัจจุบันต้นยัดเป็นฝ่ายกระจายกระจายออกปฏิบัติเป็นฝ่ายดึงดึงมารวมไว้ให้เห็นชัดอยู่ในปัจจุบัน คล้ายๆกับเชือกฝ่ายปริยัตคือดึงเชือกออกไปให้ยาวฝ่ายปฏิบัตคือหมุนเชือกเข้ามา ช่างว่ามันเถอะอะไรก็ช่างว่ามันเถอะมันก็ไม่หยาบคายพอที่จะทิ้งอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นที่สบายของจิตของใจบาก็ช่างมันบนก็ช่างมันคือแก่เก็บตายอีกตะพุทธตะเกือก็ช่างมันฐานะของพวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นแค่แล้วความเห็นชีวิตนั้นเป็นที่อบอุ่นของเราหรือไม่มันก็ไม่อบอุ่นแค่แล้ว ถ้าหากว่ามันอบอุ่นมันก็พอแอบ ก, กินอยู่มันมันเป็นไม่เป็นเครื่องอบอุ่นใช่แล้วมันต้องการอยากให้หรุแทรกพ้นจากความโง่ความเขาของตนที่เคยลงมาเท่านั้นปัญหาของมันพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ดึงคนออกจากโรบโกรธหลงไม่ใช่พระพุทธศาสนาจะมาบวกโรค บ, บวกโกรธบวกหลงให้ทวีขึ้น เป็นโลกุตละศาสนาไม่ใช่โลกีแต่เราเอากิลเลสเข้าไปบวกกับพระพุทธศาสนากล่าวตูว่าพระพุทธศาสนาว่าเป็นโลกีก็จิตใจและกิเนาของเราเป็นโลกีไปกล่าวตูวพระพุทธศาสนาต่างหากพุทธังสนงังคัจฉามิ ใครเป็นผู้เรียนจบพระอรหันต์เป็นผู้เรียนจนจบถึงไใจชนะคมจนไม่มีกิเลสจนไม่หลงเรียนน้โมจบพระอรหันต์จำพวกเดียวเรียนน้โมจบพระโสดาบันเริ่มต้นเรียนน้โม จะไปจบอยู่ที่พระอรหันตรานอ้นอมน้อมจนไม่มีกิเลสนอ้นอมน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกพระมหาอานน์พระมหาโมกขลาพระมหาสาดีบุตรพระมหาโกนธัญญาพระมหาวัปปะพระมหาพัทยะพระมหานามะพระมหาอัจฉริพระมหา ขวมปติพระมหาวิมาลมวิมาระพระมหาสุภาหุพระมหากุณณิชพระมหากัจจายนะพระมหาเหล่านี้พ้นจากกิเลสหมดแต่พระมหาพวกเราเป็นพระมหาที่มีกิเลส สารพัดรัดเรียงกันแต่ก็ไม่ตีไปหมดแต่แตท่านพือท่านเบาไปก็มีพือท่านพ้นไปก็มีพระสดาบันได้นิจพัดในทางไม่สงสัยพระพุทธศาสนาถ้าจะจ้ากระทาทามีก็เหมือนกัน พระอนาคามีได้นิจพัดไม่มีราคะไม่มีโทสะพระอาหารหันต์ได้นิจพัดอย่างเต็มที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดังออกจากโลกแต่โลกทั้งหลายดังเวรดังภัยกันอยู่ในโลกนี้มีชื่อเสียงทางเวรทางภัย มีชื่อเสียงทางได้ทางเสียพระนารหันผ่านไปหมดแล้วผ่านได้ผ่านเสียไปหมดแล้วส่งคืนหมดแล้วได้ก็ไม่ติดอยู่เสียก็ไม่ติดอยู่ส่งคืนหมดไม่ไม่กี้ไม่ป้นอะไรทั้ทงสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่กี้ป้นในสมมติไม่กี้นในิมุติ ไม่จี้ป่นในสังขารไม่จี้ป่นในวิสังขารไม่รักไถลักถอนไม่วิ่งราววิ่งไทยวิ่งเกีก้วิ่งกีนถ้าจบปัญหาแล้วไม่มีปัญหาอันไดจะสอดแทรกเข้ามาในตัวเพราะได้พิจารณาหมดเพราะได้ปฏิบัติบทเพราะได้พ้นหมดไปแล้ว จบงานแล้วไมไ่ตายคางานใน่ตายโลกธกาตุเนี่ตายคางานทั้งนั้นไม่มีใครทํางานเสร็จเนี่ยถ้าสวดาบันตายยังมีงานน้อยสัากาคามีน้อยไปกว่า น, นั้นอนาคามีก็น้อยไปถ้าทหารไม่ตายคางานแล้ว ค้นจากงานไปแล้วงานใดนๆทั้งปวงในโลกและนอกโลกอีกด้วยทั้งทั้งหลายมีอยู่ทรงอยู่ไม่ใช่เราปฏิบัติแดดปฏิบัติลม ถมีใจเป็นหัวหน้าถ้าเป็นหัวหน้าไปทางบาปก็จะได้รับบาปใจไม่ปฏิบัติใจก็ไม่มีอันไดที่จะมาปฏิบัติใจและไม่มีอนไดจะปล่อยใจอีกเหมือนกันและไม่มีอนไดที่จะเป็นพึ่งที่พึ่งของใจอีกเหมือนกันนอกจากธรรมะแล้วพึ่งกายก็พึ่งไม่ได้ใช่แล้ว นักวันจะแก้มตอบปัญหักหรือป่วยไข้ถึงประดาปางตายไม่ใจไม่ได้จากเด็กมาเป็นหนุ่มจากหนุ่มมาเป็นสาวเป็นบา่าวเป็นพ่อตาแม่ยายถึงคุณปู่คุณย่า ผลชุดท้ายก็ไม่พ้นจากเชื้อตกรนี่ใครเป็นเจ้าโลกอันนี้จังเป็นเจ้าโลกทุกครั้งเป็นเจ้าโลกไม่จบกระเสียนเนี่ยเป็นพวกนี่ ไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องถือหอกถืองาวยู่เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องยืนยามยืนเวรเหมือนตำรวจทหารเป็นจริงอยู่ตามธรรมาชาติแล้วนี่ไม่ต้องไม่ได้ถือว่าปราบท่านผู้ใดเป็นจริงอยู่อย่างนั้นอันนี้จังก็ไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นอันนี้จังข้าพเจ้าจะปราบโลกอันนี้จังก็ไม่ได้ว่าแต่หากว่าเป็นจริงอยู่อย่างนั้น ทุ ก, กเหมือนกันข้าพเจ้านี่แหละเป็นทุกข์จะปราบโลกทุกข์ขม่ด้บนอย่างนั้นแต่ด้วยอาศัยปัญญาที่รู้ตามเป็นจริงเพื่อกู้ความหลงของตนคืนหรือทิ้งปัญญาไม่เกิดเพราะไม่อบรมสมาธิไม่เกิดกเพราะไม่อบลมศีลไม่มีก็เพราะไม่ปฏิบัติ ศีลไม่มีจะสมาธิจะมีมาจากไหนสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากไหนรากเก้าไมามีต้นไม้จะมีมาจากไหนลำต้นและกิ่งใบก็เหมือนกันนั่นอันเดียวกันยินดีในายทำชนะความยินดีทั้งปวง ยินดีในโลกเพิ่มคูณกิเลสบวกกิเลสคูณกิเลสบวกหลงคูณหลงบวกมานะทิฐิคูณมานะทิฏฐิเหตุฉะนั้นการทําอาหารเรื่องชีวิตพระบรมศาสดาจึงวางไว้พอดีพองามให้มีสมาอาชีวะเรื่องอย่าเรื่องชีวิตผิดให้เรื่องชีวิตในทางชอบ จึงจะประกอบกับธรรมะให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรื่องชีวิตในทางที่ผิดก็ไม่สามารถจะประกอบธรรมะได้สะดวกเพราะผลของกรรมนำสนองมาให้สะดวกชมาลายโามพระยายามชอบ ระวังไมาให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละพยายามให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเมื่อกุศลเกิดขึ้นในสันดานแล้วก็พยายามไม่ให้กุศลดังเสื่อมความเพียรในทางพุทธศาสนามีเท่านั้นสัมมารกรรมันโตทําการงานชอบคือเล่นจากกายโยชจดิษสามเว่นจากข้าสัตร์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเรียกว่าสัมมารกรมมันโต แล้วรูชอบในทางพระพุทธศาสนาแล้วรู้ถึงกายเวทนาจิต ธ, ธรรมที่เป็นฝ่ายสังขารก็เกิดขึ้นแล้วแปลปวนแน่แตกสลายเรียกว่าอะไรรูชอบเรียกว่าตั้งใจชอบเรียกว่าสมาสมาธิอยู่ในตัวด้วยเป็นปัญสีนสมาธิ ป, ปัญญามรแปด ยต์ลงมาสั้นเป็นศีลสมาธิปัญญาอุบายใดจะเบื่อหน่ายใครายเมาในวัตฏสงสารอุบายนั้นเป็นคาสอนของพุทธศาสนาทุกๆพระองค์ อุบายจะเป็นเครื่องผูกพันในวัดตาสงสารอุบายนะั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายเป็นคำสอนของมารพาให้ท่องเที่ยวในวัดตาสงสารมาโรปาปิมะเป็นคำเกี่ยกอ่อมของมารเพราะกิเลสมาร กิเลสมารเกิดขึ้นจากคันธันดาลของเราที่มีอยู่เราจะกําจัดกิเล ส, สมารด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ให้มารมาเป็นเจ้าของใจไม่ให้มารมาเป็นเจ้าคันธันดานปราบมารปราบมารไปปราบภายนอกไม่ถูกพราะพุทธศาสนาปราบภายในของตนเองปราบกิเลสมาร เมื่อชนะกิเลสมารมทั้งปวงก็ชนะไปในตัวขันธมารมารคือปัญจขันธเทพุตมมารมารคือเทพบุตรมัจจุมารมารคือมะนะชอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารเมื่อชนะกิเลสมารก็ชนะกิเลสชนะมารทั้งหลายเหล่านั้นไปในตัว ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงในโลกความสนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปวงในโลกสมาทิคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคนตาบอดเขารบคำสั่งสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาก็คือคนตาดีตาดีทั้งตานอกด้วยทั้งตาในาด้วย ตาก็มีสิริด้วยหูก็มีสิริด้วยหูคือหูปัญญาตาคือตาปัญญาจมูกก็คือจมูกปัญญาเพราะได้กลิ่นธรรมหูก็เพราะฟังเสียงธรรมตาก็เพราะมองดูธรรมทั้งตานอกและตาในเรียกว่าตาทิพย์เราจะไปหาตาทิพย์ที่ไหนอีกที่นี้โรคทิพย์ เขาเขียนหังสือขายเอาเงินแล้วไปตื่นกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นโลกคลิปอยู่แล้วทำบาปก็เป็นบาปทำบุญก็เป็นบุญบุญเป็นโลคคลิปอยู่แล้วคนจากเก้ก็เป็นพระหรันไม่มีใครตั้งให้มันก็เป็นไม่ต้องหาเสียง เราไปกิ๊บเกลือไม่ต้องหาเสียงมันก็รู้จั ก, กว่าเค็มอันอื่นก็เหมือนกันเราลืมตามันเห็นแล้วเราไม่ต้องหาเสียงก็มันเห็นอยู่แล้วผมเห็นหรือไม่ครับเราจะพูดอย่างนั้นหรือเพราะเราเห็นอยู่ผมนั่งอยู่หรือไม่ครับผมจะขอหาเสียง แล้วก็รู้จักเพราะเรานั่งอยู่นี่ที่สงสัยอะไรก็พูดกันที่นี่คุณประกอบเข้าสมาชิกเอ อ, อะจะปลาลบอะไรที่นี่ไม่ค่อยพูดหรอกมาคาร์นัก็ไม่ค่อยพูด คคนชอบสงบไม่ไ ด, ด่ค่อยพูดนะคำเอยอะหนิไปสุกไปสุกกปสุกเปออกถ้าอย่างนั้นเพื่อออกทางนอกได้